เท่านอาจารย์บรรยายถึงตรงนี้นะคะโยงก็มีความสั่งๆทีจะเพื่อให้ความเข้าใจละเอียดขึ้นมากขึ้นว่าเพื่อเป็นกำลังใจของผู้ทํางานนะคะอาจารย์ว่าจุดมุ่งหมายเราทราบแล้วในการทําความดีเชื่อตรงนี้นะคะมันก็จะเกิดผลดีกับผู้ศึกษาผู้กระชอนในหมู่มากนะคะแต่สําหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้สาเร็จได้เนี่ยอนุสงที่จะเกิดโดยตรงเนี่ยจะค่ะ คืออย่างไรจะาพระเจ้าคือจริงๆเ น, น, นี่ยอ น, นิสงค์มีอนิสงค์คือสิ่งที่จะผลที่จะได้รับอ น, นิสังสาเนี่ยผลที่จะได้รับผลโดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทาํางานหรือมุ่งมั่นหรือขวนขวายทุกจุดอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ ต้องมีความสามารถดึงคนเก่งแต่ละด้านแต่ละด้านนั้นมารวมตัวกันมาพันึกกันคนเก่งด้านประวัติศาสตร์เอามาเก่งด้านการถ่ายภาพเอามาเก่งทางด้านการรวบรวมข้อมูลเอามาเก่งทางด้านของความเขียนในด้านของการที่จะเชื่อมโยงทั้งหลายเป็นต้นอย่างมาเราเอาคนเก่งแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านมารวมกันทุกคนก็ได้มีส่วนในการที่จะพันึกกาลังกัน จากที่มีความทีนี้คนเราเก่งแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเพราะอีกด้านหนึ่งตัวเองไม่รู้ก็จะเชื่อมโยงอีกส่วนที่คนอื่นรู้ก็จะรักกันสามัคคีกันแล้วก็มีความพัเป็นกําลังเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเชื่อมประสานสามาัคคีไม่ใช่ใช่กายสามาัคคีโดยเป็นจิตสามาัคคีด้วยทั้งปัญญาสามาัคคีอุตสามัคคีภายนอกภายในได้าเยอะมากเนี่ยในส่วนจริงเมื่อพนันธุ์ดกําลังกันคลมเกลียวกัน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เขาจะหมุนก็สู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งดำเนินสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้อันนี้สโดยตรงที่ตนเองจะได้รับจากการที่ตนเองได้มาฝึกหรือมาเรียนรู้มาศึกษาตรงนี้ทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพพฤติกรรมที่ตนเองไม่เคยได้เรียนรู้ก็จะเรียนรู้ที่ไม่ได้ก็จะได้ มันจะได้ทั้งความเชื่อมมั่นเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นสติก็มีกําลังมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาความรบรู้ความเข้าใจาละนะันั้นพฤติกรงหลายมากขึ้นด้านจิตใจก็มีความเกล้าอาาญเป็นต้นมากขึ้นด้านปัญญาก็ได้ทั้งทักษะความรู้ความเข้าใจทั้งหลายมากขึ้นกระแสชีวิตของท่านคนนั้นก็จะตั้งมั่นอยู่ใน การนอบน้อมพระพุทธเจ้าการที่ได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญาการที่ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาการที่ได้เมตตากรุณาเมตตาเบกขาการที่ได้ฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาคุณธรรมมากมายเหลือเกินก็จะรวมรอมก็้มาสู่แต่กระแสชีวิตของคนคุณนั้นบาปกุศลธรรมมันช่วยร้ายทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสอกุศลใดๆทั้งหลายที่จะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตของท่านบนนั้นก็หาช่องเข้าไปได้ ส่วนทั้งหลายความไม่ดีความไม่งามทั้งหลายที่เคยทำาะไรดีทั้งหลายไม่มีโอกาสเข้ามาจัด ก, การกระแสชีวิตของท่านที่กําลังประชุมธรรมะทั้งภายในและภายนอกธรรมะภายในก็คุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาเมตตาเบกขาไม่ว่าจะเป็นฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมะเหล่านั้นประชุมในกระแสชีวิต กรรมก็ออกมาเป็นศีลสมาธิตใจก็ออกมาเป็นสมาธิทัศนคกรหมิก็เป็นปัญญาบาปไม่ได้ช่องอกุศลไม่ได้ช่องสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเข้าไม่ได้อกุศลทั้งหลายที่เคยทําทั้งหลายก็หมดโอกาสแล้วก็ค่อยๆหมดกําลังลงหมดกําลังลงโดยเฉพาะข้างนอกก็เป็นการทําสิ่งที่เลิศมากเกี่ยวกับป ร, รมมาธาตุทีงเป็นพุทธรัตนาของแผ่นดินอยู่ด้วยเป็นสิ่งที่งดงามด้วยมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลาย เห็นสิ่งเหล่านี้ก็พากันอ่านมูทนาพากันอนุรักษ์พากันรักษาพากันตามเกื้อหมุนช่วยเหลือทุกอย่างเพราะเป็นการทําการงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อต้องการปลุกมนุษย์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาจากการที่ทําให้คนไม่รู้ได้เข้าถึงความรู้จากคนที่เกียดค้านได้เข้าถึงความกล้ากล้าคนฟุ้งซ่านได้เข้าถึงส ม, มาธิคนหลงลืมสติเข้าถึงสติคนไม่เชื่อมันได้เข้าถึงความเชื่อมันเทียบเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายตามพากั กุศลอย่างมากมายฉะนั้นกุศลเหล่านี้หนึ่งภายในกระแสชีวิตโดยตรงดายป้องกันบาปกุศลกรรมทั้งหลายไม่ให้มาเบียดเบียน ด, ด้วยชีวิตของท่านคนนั้นก็ตั้งอยู่ในธรรมะด้วยตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีงามด้วยฉะนั้นพยานอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลับเป็นทุกตื่นเป็นทุกฝันร้ายเทวดาไม่รักษาทั้งหลายไม่ทหายเลยใช่ไหมกระแสชีวิตของท่านคนนั้นก็จะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอํานุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิษโรคหลายทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนสีนหน้าก็ผ่องใสสมาธิก็ตั้งมั่นเร็วก็ไม่หลงเวลาจะตายจากโลกนี้ก็ไม่หลงทําการกิริยานะไม่หลงทําการกิริยาไม่หลงไม่เป็นอลไซเมอร์แล้วก็ตายไปแล้วก็มีสุขติถ้ายังไม่พ้นทุกข์แล้วก็จะเป็นตัจจัยจากการสิ้นจากกิเลสและความทุกข์ด้วยหัวอันดิสงนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยจะตามมาอีกมากมายเห็นไหม ช่วยคนได้มากเท่าไหร่เห็นไหมทำคนให้เขาเข้าถึงปัญญาได้เพียงหนึ่งคนให้เขาสมหวังได้เพียงหนึ่งคนกุศลที่ทําให้เขาได้สมหวังจะเป็นปัจจัยทําให้เราไม่ผิดหวังทําไมชีวิตเราที่ผ่านมามันผิดหวังเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุของความสมหวังการทําลักษณะเนี้ยจะทําให้มนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้ทาให้เข้ารู้ก็เขาสมหวังนะ จากที่ชีวิตเขาไม่มีหลักยึดทำให้เขามีหลักยึดเขาเขาสมหวังไหมจากเขาที่พุ้งซ่านทำให้เขาตั้งมั่นเขาสมหวังหมดเลยนี่คือเหตีเหตุแห่งความสมหวังนะ่นจงมุ่งมั่นในการทําไปและเราจะเข้าถึงความสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาเขาจะเห็นไหมใช่ใชมีอะไรอีกไหม